พระธรรมมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าอามิตรก็ไม่ทาปฏิบัติก็ไม่เอาคณะสัทธาญติโยมลูกหลานของเราตั้งแต่เช้าตั้งแต่ใส่บาท รู้สึกว่าในความรู้สึกของหลวงพ่อนะว่ากว่าทุกครั้งพี่น้องลกูกหลานมาใจบาตรตักบาตรทาบุญแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็มีมากหล า, หลายวัดวันมามาวันนี้นะแล้วก็วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีในสวนช่างธรรมของเราประจำเดือน กุ่มภาพันพุทธศักราช 2,560 นะวันนี้เป็นวันที่26อาทิตย์ที่26กุ่มภาพันพุทธศักราช 2,560 นะและก็วันนี้เมื่ อ, อหลวงพ่อสุธรรมได้ประกาศให้คณะสัทยาญาติโยมได้รับรู้ ร, ร, รับทราบว่าเมื่อเราสันอาหารหรือ ว, ว่าตอนบ่ายโมงที่จะไปกราบ ถวายมุทิตาสักการะในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นะถือว่าท่านก็เป็นพ่อแม่ปู่ปายจาร์พวกเราก็ได้ดูในภาพต่งตางๆท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นบั่งไปกราบปู่ปาจาร์สายของเราแต่ว่านี่ท่านก็ได้ขึ้นเป็นได้สาธาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลาย เน่ยประสบในกรทั้งหลายก็เนี่แหละออกจากสวนแสงธรรมก็ไปเพื่อไปการาบคารวะแสดงถวายมุทิตาสักการะในพระองค์ท่านพร้อมๆกันเนออย่างที่หลวงพ่อจุธรรมได้ประกาศได้บอกกล่าวให้กับพวกเราได้ทราบร่วมกันนั่นแหละและก็พร้อมกันวันนี้จะเป็นที่ทราบกันว่าพวกเราได้ร่วมกันทอดผ้า ป, ป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบำรุงสวนแสงธรรม ที่หลวงพ่อมาทีไรหลวงพ่อก็ได้ประ ก, กาศเพื่อศรัทธาญาติโยมผู้มาใหม่ก็มีพวกเก่าแล้วก็ได้ยินได้ฟังอาจจะลําคาญอย่าไปลําคาญนะนะศรัทธาญาติโยมเราต้องเพื่อให้กับผู้ที่มาทีหลังว่าสวนแสงธรรมแห่งนี้เป็นสวนแสงธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องคหลวงตาของพวกเราได้ได้มารับไว้จากนั้นท่านก็ได้สร้างท้าวลวัตถุอย่างพวกเราเห็น แต่ที่หนักหนาสมทวนก็คือสถานีวิทยุเสียงธรรมจะต้องได้ใช้จะตกุปัจจัยค่าบำรงุงค่าน้ำค่าไฟเพราะนั้นพวกเราเดือนหนึ่งได้มาร่วมมารวมกันเพื่อหาทุน อ, อ, อย่างพวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทำมาทุกเดือนนะอออวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งแล้วก็วันแต่เดือนเดือนมีนานะ เดือนมีนาหลวงพ่อเนี่ยคงจะเนี่ยนะถ้าสัทยทายญาติโยมท่านผู้ใดรู้จักมักุนกับคุณแม่ชีแก้วเสียงล้าจังหวัดมุกดาหารก็เชิญหน้าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อของคงจะได้ไปดูแลจัดงานลาลึกถึงคุณแม่ชีแก้วในวันที่ในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเดือนหน้านี่นะ และก็พร้อมกันหลวงพ่อเองอยากจะกล่าวให้กับคณะสัตยาญาติโยมเพราะว่ามาคร า, าวก่อนครั้งก่อนก็ได้ประกาศทั้งจิตโอชนาด้วยทั้งสวนแสงธรรมด้วยว่าต้องการอยากจะให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานรวมกันเป็นพลังเป็นเสาเข็มอยู่ใต้ฐานพระชดีขององค์หลวงตายืนปนมมืออยู่ใต้เทิดใต้ฐานหลวงตาเป็นผู้บริสุทธิ์ ห ล, หลุดพ้นจากอาสวัคกิเลสท่านประกาศตัวของท่านว่าจะไม่มาเยียบแผ่นดินอีกเป็นอนันตการเพราะนั้นก็เป็นที่รับทราบรู้กันเพราะนั้นพวกเราจึงได้สร้างพระเจดีย์ถวายองค์ท่านไอหลวงพ่อเนี่ยพูดในข่ า, าวมาครั้งก่อนแต่าข่าวาวนั้นก็เพื่อจะตอกเสาเข็มแต่ประกาศออกไปว่าจะได้ใช้เงิน32ล้านกว่า เสาเข็มพันสอ้อเอ็ต้นแต่มาวันนี้หลวงพ่อคิดว่าจะมาประกาศอีก mm hmm. ให้คณะสัทธาญาติโยมได้ทราบอีกนะเพราะว่าเราจะใช้ตอกเสาเข็มอยู่ประมาณสมเดือนครึ่งแต่มาวันนี้หลวงพ่อขอประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมได้รับรู้รับทราบรวมกันเงิน32ล้านนะเราประกาศเพียงยีสวันมีผู้บริจาคเข้าไปเต็มเลยทีนี้ เต็มครบบริบูรณ์2ล้านจังกลายไปเอกถึง37ล้านนะเ่เสาเข็มเนเะต็มแล้วเพราะนั้นพวกเราอนุโมทนาสาธุก ป, ป้อมกันเนสาธุเออนี่ล่หละหลวงพ่อเองพอได้ยินพ่อประกาศออกไปแล้วนะหลวงพ่อก็ปลื้มใจเหมือนกันเพราะเราคิดว่าคณะสิทธิ์ยาแสิทธิ์ขององค์หลวงตาเนี่ยยังเหนียวแน่นยังรักเคารพในองหลวงตาสม่ำเสมอ เ, เพียงตะบอกประกาศเออพวกเราจะสร้างพระเยเดียร์ลงตานะาแล้วก็ตอกเสาเข็มเมื่อวันที่30มสท่าว่าพวกเราที่ได้ไปในงานพบรอบหปีนะหปีขององค์ลงตาเมื่อวันที่30มสิบนะพวกเราก็ได้เห็นว่าคณะสงฆ์ทั้งหลายพร้อมเพียงกันแล้วก็สวด อ, อิติปิโสพร้อมกันาจากนั้นก็ตอกเสาเข็มปังแรกหลวงพ่อได้ยินเสียง ตอบเสาเข็มนะโอ้รู้สึกว่าแผนดินสัทานหวั่นไหวเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เริ่มลงมือสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขพระองลลตาเพราะนั้นถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหน้าเรื่องจตุปัจจัยพอไหมจุดนั้น เ, เราก็ยังไม่ยังไม่พูดเพราะว่าการที่จะทำอะไรโดยมากก็บานปลายอย่างพวกเราเคยได้ได้ไดไดทำได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ถ้าเราจะทำขนาดหนึ่งราคามันก็ขนาดหนึ่งแต่ถ้าเราจะทำให้ดีตกแต่งเพื่อความเหมาะสมสวยงามให้เหมาะสมกับองค์หลวงตาของเราตรงนั้นอาจจะมีการเพิ่มจุดตกปัจจัยเข้าไปอีกคราวนั้นหลวงพ่อก็คงจะได้ประกาศสาาตหายาิโยมอีกเป็นละลอกล ะ, ละลอกเพื่อให้รับรู้รับทราบร่วมกันนะอันนี้ก็คือก่อนกวาดเร็จก็ ใช้เวลาทั้ง36เดือนนะกขันศรัทธาญาติโยมแต่เมื่อวานใหลวงพ่อไปฉันที่จิตโพธนาปาร์กนะพอฉันเสร็จแล้วหลวงพ่อกับศรัทธาญาติโยมจากอุรานจากคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งกันอยากจะมาดูที่ที่นั่งพระที่นั่งอนันตสมาคม เ, เพราะว่าจะดูอะไรอยากจะดูเรื่องหินแต่เมื่อเราสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระเจดีย์ขององค์หลวงตา เราจะใช้หินอันไหนที่จะเหมาะสมถูกต้องเหมาะสมสวยงามตามที่องค์หลวงตาประกาศแนะนำสั่งสอนพวกเราเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตาเมื่อวานก็บหลบพ่อก็เลยเข้าไปดูนะโ อ, อ้ก็ได้แนวความคิ ด, ดหลายอย่างเหมือนกันในเจดีย์ที่จะนำสิ่งที่ประดิษฐ์เอามา เ, เพื่อสร้างพระเจดีย์พระองค์หลวงตานะี่ย แต่เดีนี้ก็กําลังตอกเสาเข็มอยู่ได้ร้อยแปดสิบต้นแล้วเมื่อวานนี้นะในพันสองร้ันสอห้าเอต้นนั้นได้ร้อยแปดสิบเต้นแต่ก็ยังเวลาอีกมากมายอยู่ที่ว่าคงจะไปตามเป้าหมายนการสร้างพระเจดีย์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ประกาศให้คณะตัดทายญาติโยมผู้ที่รักเคารพในองค์หลวงตาพวกเราได้แสดงออกซึ่งความประกันอยู่กตวเวทที่ตาเพื่อสร้าง เป็นอามิตชบูชาในองค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเงี่ยง ห, หูฟังไว้เนอรถ้าหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อจะเรียนพี่น้องประชาชนที่เป็นศิษยารุศิ์รักเคารพในองค์หลวงตามีศรัทธาที่จะสร้างเจดีแต่ว่าผู้ที่จะปฏิบัติบูบชาเอาเถอาขาไปเจ้าไม่เอาล็อกอามิตชบูชาข้าพเจ้าจะปฏบิบัติบูชาเท่านั้น อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะพระในครั้งพุทธกาลมีนะกรสถ า, ยยาทายญาติโมเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะพระองค์บอกว่าจากนี้ไปสามเดือนเราตถาคตจะปรินิพานแล้วนะไอ้เปิดเธอท่านทั้งหลายอยู่ตั้งจะตั้งอยู่ในความประมาทนะแต่พระสงฆ์สถาก็มาลมมาตุ้มมาตุ้มมาลมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะมีพระองค์หนึ่งนะวีพระองค์หนึ่งนะอยู่ในกลุ่มนะั้น คงจะมีเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นผู้ที่รู้จักของพระสงฆ์ขอสงวรท่านไม่เข้าหมูนะ่ท่านลบหลบป ล, ลี ก, ลกไปปลีกตัวไปหับปฏิบัติธรรมของท่านพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นเออพระพุทธเจ้าจะบริเนปานอีกสามเดือนข้างหน้าก็รู้อยู่แล้วแต่พระองค์นี้ทำไมไม่เข้ามาหาหมู่หาเพื่อนออทำไมปลีกตัวอย่างนี้มีอะไรในใจกับพระองค์นี้ พระสงฆ์อะไรไปกราบถูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะมีพระองค์หนึ่งหมู่ทั้งหลายเข้ามาในรูสีวดองค์นั้นอ่ะหลบหบเลีกยลี่ไม่เข้ามาไม่เข้ามาหาหมู่เพื่อนมีอะไรในจิตใจของเขาหรือเปล่าพระองค์บอกเอ้าเรียกเข้ามาไปบอกเข้ามาพระองค์ก็เรียกพระองค์นั้นเข้ามาเพราะว่ามาพระองค์ก็ถามว่าเธอทำไมพระสงฆ์ทั้งหลายบอกว่าเธอเนี่ยไม่เข้ามาหาเราตะทาคต รู้อยู่แล้วว่าเราตักาก็จะปฏิญพานอีกสามเดือนที่เราประกาศแต่เธอทําไมไม่เข้ามาเธอมีอะไรไหมพระสององค์นั้นกราบทูรพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรพระเจ้าข่าข้าพระองค์คิดในใจว่าเมื่อพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังสงพระชนอยู่ข้าพระเจ้าจะบําเพ็ญทางจิตตะภาวนาให้ได้เป็นพระหันก่อนที่พระองค์จะปฏิญญาเพราะฉนั้นข้าพระองค์จึงไม่ได้เข้ามาหมู่พวกเพื่อนพระองค์ข้าพระองค์เล่น เรื่องภาวนาจะให้ได้สําเร็จพระพุธเป็นพระอรหันต์ก่อนพระองค์พระพุทธเจ้าพริเนริพานพระเจ้าค่าพระองค์เออนี่ยละสง์ทั้งหลายฟังเอาไว้ถึงพวกเธอจะมาหลบ ม, มาต่มเราก็ก็จริงอันนี้เป็นอามิตชบูชาน่ยพระพระองค์นี้นะ่ะท่านปฏิบัติบูบชาเรายกย่องเชิดชูบูชาเรายกย่องการปฏบิบัติบูชาตถาคตนั้นเลิศกว่าอามิตบูชา อันนี้พระพุทธองค์ท่านก็ตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราเที่ไม่มีศรัทธาหรือว่าไม่ทํำละพระเจดีหลงตาเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายข้าพเจ้าจะภาวนาอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอามิตร เ, เป็นเป็นปฏิบัติบูชาก็ไม่ผิดนะแต่เว้นเสียแต่ว่าปฏิบัติบูชาก็ไม่เอาอาหมิตรชูบูชาก็ไม่เอาอันนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลงตานะอันนั้นเป็นเป็ น, ปนใคอ่ เ, ออเนี่ยที่ว่าลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์เจปาะเฉยๆใจของเขานั้น ออกไปทางไหนก็ไม่รู้ เ, เป็นอาจจะอาจจะเป็นจิตใจนรกอเวจี v G ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะตาญาติโยมนะดูใจของตอนเองที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้พูดกับกับผู้ใดใครคนหนึ่งพูดเป็นกลางๆนะแต่ถ้าปฏิบัติบูชาเอาในขณะที่องค์หลวงตาจตุตินิพพานแล้วยังหมดัดๆใหม่ๆทําคําสอนขององค์หลวงตาก็ยังกล้องอยู่ในใจของเราเราจะปฏิบัติบูชาพระคุณองค์หลวงตา ในชีวิตเรื่องนชาตินี้ของข้าพเจ้านะอันนี้ก็เป็นบุญกุศลมหาุกุศลอันยิ่งใหญ่นะเพราะว่าการประกอบคุณงามความดีเป็นปฏิบัติปุชา เ, mm. เลิศกว่าอามิษบูชานะรันะติชายิโยมลูมลกหลานนะอันนี้พวกเราให้รับรู้รับท ร, รบาบเอาไว้นะพวกเราได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ต้องฟังต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดอย่างที่ลูพ่อได้พูดว่าดูก่อนสารบุตร ตถากตตรัสไปนี่พูดไปนี่เนะ่ยเธอเชื่อไหมยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะพระสงค์ก็คือฮาโอ้โหระษาลิบุตรหัวดือ้อหัวล้านหัวแข่งทําไม่พระพระเ จ, เจ้าตรัสต้อนหน้าแทๆ้ๆยังไม่ฟังพระองค์ถามว่าทําไมเธอจึงไม่เชื่อเนะลยภาราบุตรเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัตยิยังไม่ได้นําไปกันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ยังไม่เชื่อก่อนพระเจ้าค่ะในเมื่อนําไปกันกลองไปแล้วนําปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไร ข้าพระองค์จะกราบถุนเมื่อภายหลังพระเจ้าข้าเนี่ยแหละพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะพุทธปณิสัทที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นกลับไปถึงบ้านก็มือก่ายหน้าผากคิดดูเอหลวงพ่ออินอินพูดวันนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าวะเออเลยจะกลับมาฟังโซเซียนโซเโซียนแล้วเฟซบุ๊กอีกก็ยังได้นะหลวงพ่อพูดวันนี้นะถ้าหากว่าผมวงพ่อพูดผิดอ้าวต่อว่าก็ได้ต่อไปภายภาคหน้านะคณ ะ, ะสัตายาญาติโยมแล้วก็พร้อมกัน วันนี้คณะสงฆ์ฉันพัตนารเสร็จแล้วก็จะมีการกล่าวคําถวายผ้าป่าสามัคคีอย่างพวกเราเคยทําทุกเดือนที่ผ่านมาและตอนนี้ไปพวกเราที่มาร่วมมารวมกันในวันนี้ก็ขอให้พวกเราเมื่อรับพรก็พวกเราเป็นทำเป็นการทําบุญใหญ่พี่น้องประชาชน เ, เป็นพันๆวันนี้แหะ เ, เมื่อเราจะเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรให้พวกเรา น้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราอย่าลืมนะ ท, ทุกครั้งนะเราไปทําบุญณสถานที่ใดเป็นกลุ่มใหญ่อย่างนี้ก็ให้ขอให้พี่น้องประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระเออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในบรมโกรดวงวิญญาณดวงวิญญาณพระไทยใจของพระองค์สิ่งสถิตอยู่ณนะที่ใดทินใดประสบที่ก่อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายขอน้อมถวาย เป็นพระราชกุศลขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์เจริญอยู่สุขเกษมสำลาญอยู่ในพภพโทมในพระองค์ประทับอยู่ณสถานที่นั้นๆน ะ, นะแล้วก็ฟ้อมกันอุทิศกุศลต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายของพวกเราทุกครั้งเมื่อเรามาทำบุญอย่างนี้นะตอนน่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตรีนะ้